หนึ่งรู้พุทธธรรมจากอดีตไม่ใช่การบรรลุธรรมอย่าหลงเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้านั่งธรรมสมาธิหลับตาใต้ต้นโพวันคืนสิบห้าค่ำเดือนหกนั้นคือการบรรลุนิพพานหรือการบรรลุธรรมขณะหลับตาอยู่ในพระวังเป็นอันขาด นั่นมันเป็นเพียงพระองค์ระลึกย้อนอดีตเข้าไปถึงขันที่เคยอาศัยในการก่อนแล้วพระองค์ก็ปรารบอดีตของพระองค์พระองค์จึงได้รู้ได้เห็นความจริงที่เป็นสุดยอดแห่งความจริงอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ได้ผ่านการบรรลุธรรมถึงขั้นสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วต่างหากพระองค์ไม่ได้บรรลุธรรมในตอนนั้นท่านบรรลุมาแล้วบรรลุเป็นอนุสตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วต่างหากแล้วพระองค์จึงสามารถระลึกเอาความจริงอันยิ่งใหญ่นั้น ออกมาจากสัญญาของพระองค์เองพระองค์อาศัยการระลึกเท่านั้นใช้บุเพนิวาสานุสติญาณระลึกดูภาวะเก่าภาวะเดิมที่พระองค์เคยเกิดเคยดับมาแล้วของพระองค์เองและได้ทรงบำเพ็ญมาแล้ว ใช้จุตูปาปาตายานจึงทรงเห็นอดีตต่างๆก็ทรงเห็นความจริงที่เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์ที่ได้ทรงบําเพ็ญสมบูรณ์มาแล้วอาศัยการระลึกด้วยเจโตสมาธิแล้วปรารบอดีตของพระองค์เองเท่านั้นต่างหาก สัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้ทรงสั่งสมมาบริบุ์แล้วแต่อดีตที่พระองค์ระลึกเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในคืนขึ้น15ห้าค่ำเดือนหกนั้นพระองค์ก็ได้ทรงรู้ความจริงอันเป็นของพระองค์เอง ที่พระองค์ปฏิบัติบรรลุสำเร็จมาแล้วทั้งนั้นได้ทรงมีอริยสัจนั้นมาก่อนแล้วไม่ใช่บรรลุธรรมในขณะปฏิบัติการนี้คือนั่งหลับตาระลึกชาติในคืนขึ้นส5บ้าข้ามเดือนหนั้นก็เพียงบรรลุของเก่าที่ได้แล้วมีแล้วระลึกเข็นความจริงเดิม ที่ทรงมีทรงเป็นมาแล้วขึ้นมาได้ไม่ใช่ปฏิบัติตอนนี้แล้วได้บรรลุธรรมนั้นๆขึ้นตอนนี้พระองค์ไม่ได้ประพติใหม่ไม่ได้ปฏิบัติใหม่แล้วจึงบรรลุผลธรรมนั้นๆใหม่เลยพระองค์มีอยู่เก่าแล้วต่างหากพระธรรมของพระองค์มีมาก่อนมีเองมาแล้ว